คำบดแปลเรื่องที่96เรื่องพระเสยยสกัดเถระภาคที่หเรื่องที่สองของวรคที่9ป้าปวัควรนน า, นาข้อความเบื้องต้นพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบพระเสยยสกัดเถระตรัสพระธรรมเทศนานิวาป้าปัญเจบริโซกยิรา น ต, นตอนพระเถระทปรปมะถมสังฆาริเศษดังได้สดับมาพระเสยยะสกัดเถระนั้นเป็นสัตว์ทวิหาริของพระโลลุทายีเถระบอกความไม่ยินดีของตนแก่พระโลลุทายีนั้นถูกท่านชักชวนในการทาปรถมสังฆาธิเศษเมื่อความยินดีเกิดทวีขึ้นได้ทำกรรมนั้นแล้ว ตอนกำชั่วให้ทุกข์ในพบทั้งสองพระสัสดาได้สดับกิริยาของเธอรับสั่งให้เรียกเธอมาแล้วตรัสถามว่าได้ยินว่าเธอทำอย่างนั้นจริงหรือเมื่อเธอทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่าจึงตรัสว่าแน่โมคะบุตรเหตุไรเธอจึงได้ทำกรรมอันหนัก อันไม่สมควรเล่าทรงติเตียนโดยประการต่างๆทรงมัญญาศิขาบทแล้วตรัสว่าก็ากรรมเห็นปานนี้เป็นกรรมยังสัตว์ให้เป็นไปเพื่อทุกอย่างเดียวทั้งในภพนี้ทั้งในภพหน้าเมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าป่าปัญเจปุริโซกยีรา นันังกยิราปุนปุนังนัตามิชันดังกยิราถดุโคโป้าปสะอุจโยติทาบรุษพึงทำบาปไสไม่ควรทำบาปนั้นบ่อยๆไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้นเพราะว่าความสั่งสมบาปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แก่อจัจเนื้อความแห่งพระคาถานั้น ว่าถ้าบุรุษพึงทำกรรมลามกคราวเดียวควรพิจารณาในขณะนั้นแหละสำเนียกว่ากรรมนี้ไม่สมควรเป็นกรรมหยาบไม่ควรทำกรรมนั้นบ่อยๆพึงบรรเทาเสียไม่ควรทำแม้ซึ่งความพอใจหรือความชอบใจในบาปกรรมนั้นซึ่งจะพึงเกิดขึ้นเลยถามว่าเพราะเหตุอะไรแก้ว่า เพราะว่าความสั่งสมคือความพอ่อพูนบาปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือย่อมนำแต่ทุกมาให้ทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าในการจบเทสนาชนเป็นอันมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพระเสยยสกเทียระจบ